พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18ทธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่ามีปัญญาแต่หาตังไม่ได้อ่านนั่งประจำที่ลูกร้านอยู่ในความสงบ เมื่อวานลุงพ่อไม่ได้ไปที่ไหนพักผ่อนโอ้ไม่ไหวร่างกายไม่ได้พักผ่อนเหมือนกับรถมันวิ่งตลอดเครื่องมันร้อนพอเครื่องมันร้อนมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปรผันมันเป็นไปได้ทุกอย่างเพิ่อเพิมมันจะเป็นไข้ เป็นวัดเป็นไอเข้าไปอีกต่างหากเพราะร่างกายมันอ่อนแอไม่ได้พักผ่อนก็เลยให้ลดพักผ่อนเมื่อวานไม่ได้ไปไหนแต่ตามไม่จริงมีงานสองงานนะลูกหลานเมื่อวานแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปขอยกเลิกและก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2559 เมื่อวานคณะลูกหลานโรงพยาบาลอำเภอคำเช อ, อีจังหวัดมุกดาหารที่มาขอความมนเคราะห์ที่ปีที่แล้วคือเขาบอกว่าตึกหลังนี้เป็นตึกของของหลวงปู่จามมหาปุญโญที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อก็ให้เครื่อง ให้เตียงแล้วก็ให้เครื่องอะไรเกี่ยงเกือบเครื่องตรวจเลือดนะก็ให้กับโรงพยาบาลคำใช่เรื่องทาตรวจเลือดทำเลือดไปแล้วละ่ะแต่ในปีที่แล้วเขาก็ในมลไปงานของคุณแม่ชีแก้วในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาแล้วก็ไปฉันอาหารที่โรงพยาบาลเขาให้ไปดู หลวงพ่อก็ไปชันที่นําไปดูเ้าก็บอกว่าเครื่องทำฟันขาดมีหมออยู่สามสี่ห้าคนแล้วก็มีเครื่องทำฟันตัวเดียวที่ใช้ได้ดีนอกนั้นก็ เ, ออเสียยให้หายเราอยากจะได้เครื่องทำฟันเขาพูดจากข่าวน้นล่ะหลวงพ่อก็เออเอ อ, เ อ, อตกลง รับไปพิจารณาแต่หลวงพ่อจะไม่รับทีเดียวนะงานไหนก็ตามหลวงพ่อจะไม่รับปากรับคำเดี๋ยวมันจะผิดพลาดรับไปพิจารณาถ้าเขาถ้าเขามาถามอีกถ้าเรายังไม่มีทุนใช่ไหมบัญชีของเราอย่างตัวแดงอยู่เราก็ยังพิจารณายังไม่ยังไม่ตกลงอ่ะรับพิจารณาต่อไปอีกค่ะ แต่พอเป็นไปได้เราก็ยังคอยเออเอาตกลงให้แต่เด็เขากองหายเงียบไปเป็นเป็นปีเลยเพราะเขาเปลี่ยนหัวหน้าหัวหน้ามาใหม่มาวบเมื่อวานหรืใหม่ม า, มานนไรนะมาทวงมาเนื้อเรื่องเครื่องทำฟันที่หลวงพ่อว่ารับไปพิจารณาหลวงตาว่าพิจารณ า, นะ า, า, รณานะผมเออเอ า, เอ า, เอาจะให้ตกลง เอาเลยนะหลวงพ่อก็เลยให้ไปนะกนัชธาญาาติโยมลูกหลานพอมันเกี่ยวสืบเนื่องมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะราคาสามสามแสนห้ามื่นบาทตกลงแล้วอนะมอบไปละมอบห้เล ย, เลยราคาสามแสนห้ามื่นบาทต่อหนึ่งเครื่องเครื่องทําฟันนะมอบห้จิตุปจนะัปจจัยน่ะปัจจัยของวัดของเรานะ่ะ ทั้งที่วัดของเราก็น้ำท่วมในปีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรถึงน้ำจะท่วมแต่น้ำใจมันไม่ท่วมน้ำใจของเรามันยังน้ำใจวัดของเรายังมากอยูเอ่เพราะนั้นน่ะจาจานวลน้ำที่มันท่วมก็ท่วมไปแต่น้ำใจของเรานี่ยพร้อมที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ถ้าเมื่อความมีความจําเป็นตอนนี้เราถือว่าเป็นงานเป็นตึกขององค์หลวงหลงปู่ยามที่ท่านไปสร้างไปแล้วเราก็ควรจะช่วยเสริมส่งเสริมนะนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างเครื่องทําฟันมันก็มีมอเตอร์มีไฮโดรลิก ลักษณะอย่างนั้นมันก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องมือของการทำงานของตึกลานบ้านช่องเหมือนกับส่อมรถส่อมลานนะหลวงพ่อว่านะแต่ถ้าว่าทางโรงพยาบาลพร้อมพากันใส่ใจสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะในความเห็นหลวงพอ่อเพราะเห็นหลวงพอ่อเหตุไรจึงพอ่อหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคราวหนึ่งครั้งหนึ่ง เตียงผ่าตัดของโรงพยาบาลต้องใช้ระบบไฮดรอลิกกระดกหน้ากระดกหลังกระดกซ้ายกระดกขวาเอียงซ้ายเอียงขวาคือดูโดยมากใช้ไฮดรอลิกเปียแบบรถแมคโครเนี่ยแหละเหมือนกับรถแมคโครเนี่ยแต่ทนี้เขาบอกว่ามันเสียเสียเอ๊ะมันเป็นอะไรมันกระดกไม่ขึ้นเออก็เลยเราก็เลยบอก เจ้าของแมคโครไปไปดูใชอเขาก็เลยเอาไปเาไปซ่อมไปซ่อมเขาก็น่ทำแบบระบบแมคโครรถแมคโครน่ ะ, นะใส่เข้าไปใช้ได้นี่แหละแต่ราคาเท่าไหรละ่ะราคาทั้งห้าหกแสนใช้มาห้าหกปีแต่ทาไม่จริงถ้าคขาบอซ่อมนะเปลี่ยนผ้าปูเบาใหม่แต่อะไรเปลี่ยนใหม่ข้างบนซะมันก็ไม่กี่เงินนะ เพราะเขาทำได้ห้ช่างเขาทำได้แต่ว่าระบบเนี่ยเราก็ต้องไปหาระบบอันไหนไฮดโรโลิกหรือระบบไดหรือระบบไดรไดมันก็มีนั่นอะเพียงแต่มันเสียท่ว่ามันเสียเลยเผลอๆยังหมอฟันสามสี่ห้าคนคอยคยดู เพอเอได้สะดวกสบายต่าหากพวกเครื่องมือไม่มีแต่กินเงินเดือนของภาษีของพี่น้องประชาชนเราเสียภาษีให้หลวงพ่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นให้พวกทุกคนอยู่ในหน้าที่คิดนะจะเป็นพยาบาลก็ต้องคิดจะเป็นหมอก็ต้องคิดใครนำทำหน้าที่พาตัดก็ต้องคิดเราเป็นพระเราก็ยังคิดนะไม่ใช่แต่ทุกคน ที่ได้กินเงินภาษีพี่น้องประชาชนต้องคิดว่าเงินที่เราได้รับทุกวันเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเขาไหมที่เราทำงานเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเขาไหมที่เราทำงานถ้ามันไม่คุ้มค่าเงินของเขาจะแสดงว่าเราทำงานหย่อดต่อหน้าที่การงานเพราะอะไรเพราะว่าเรากินเงิน ทุกเวลาแต่เราไม่ได้ทำงานนี่แหละถ้าว่าเป็นเงินของเราเราก้าจ้างเราไหมถามอีกถ้าเราทำงานอย่างนี้ถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมให้ถามอีกถ้าเราทำงานอย่างนี้คุ้มค่าเงินเขาไหมถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหม หลวงพ่อว่าให้ถามตัวเองนะถ้าคนอื่นถามเจ้านายถามก็จะโกรธให้เจ้านายอีกทานหลวงพ่อไปถามตัวต่อตัวก็จะโกรธให้หลวงพ่ออินอีกเหมือนนั้ให้ตัวเองถามตัวเองนั่นแหละไม่รู้จะโกรธให้ใครตัวเองบกพ่องต่อนาทีเขารู้แก่ใจเลยข่าเนี่บกพ่องต่อนาทีแล้วนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนที่มันเสีย เราก็หาแหล่งสร้่งซ่อมเขามันมีอยู่ไม่ใช่ว่าพวกสร้งซ่อมเครื่องมือแพทย์ทั้งนั้นจะซ่อมได้ร้านมอเตอร์ทั้งหลายแหละเขาซ่อมได้ทั้งนั้นอะ่ะมอเตอร์มันเสียเนะ่เอาไปซ่อมเปลี่ยนไม้มนก็มาก็ทำได้ในหลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะหลวงพ่อว่าช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาช่วยกันทำงานประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่ว่ามีอะไรของอาปากคอยเหมือนกับลูกนกลูกนกคอยอาหารคอยเยื่อจากแม่อยู่ตลอดเวลาอันนั้นแปลว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตฮะไม่รู้จักพัฒนาตนเองไม่รู้จักปรปับปรุงแก้ไขตัวเองมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรานะไม่ว่าวัดวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์เลือว ใครก็ตามต้องดูตนเองต้องพัฒนาตนเองต้องปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการแลว้วการพัฒนาของตนเองมันต้องมองตนเองจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงในสถานะอย่างนี้มไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ทาไม่ได้อ้าวไม่มีจอบไม่มีเครื่องจอบใช่ไหมถ้าไม่มีจอบเอาไม้ เอามีดมาทําเป็นไม้ขุดไปสิมันก็ต้องทํำยังไงมันจริงๆ จ, จะขุดได้เป็นหลุมได้ อ, อหาไม้ไผ่มาเสี่อมแมแหลมๆกันนะขุดต่างเสียมถ้ามันได้เสียมมาก็ดีถ้าได้จอบมากก็ดีเ อ, อถ้าได้รถไถรถแท็กเตอร์มากก็ยิ่งดีเลยเม็ดโคลมากก็ดีเลยเพราะ i, อะไรเพราะว่าเรามีเครื่องมือ แต่ถ้าว่าไม่มีแมคครัวเลยยุ่มทำอะไรก็ไม่เป็นเท่าไหร่ผลในสูดก็เลยเป็นปีเป็นเดือนทําไร่ทํานาก็ไม่เป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีรถไถผลในสูดเลยตายเปล่าตายอดตายอยากตายเพราะความโง่ของตนเองมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอันนี้ทุกคนให้มองตนเองอยู่ในสถานะไหนให้มองตนเองช่วยปรับปรุงทําไม่ได้ตัวนั้นเอาตัวนี้มาแทนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่แหละหลวงพ่อเป็นคนบ้านนอกนะแต่บ้านนอกอยู่แบบเรียนมาจากพื้นฐานมาจากความยากจนมาถึงจุดนี้นะหลวงพ่อมองมอ ง, มองดูบางทีบางเสียงบางอย่างเห็นของลูกหลานทิ้งเกือนกลาดเอ้มันน่าจะเก็บไปใช้ได้มันน่าจะเชื่อมอได้เหล็กตัวนี้ทำตัวนี้น่าจะเก็บไปไว้ใช้ได้ หลวงพ่อมองมองเห็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าลองหลวงพ่ออยู่ศึกษามาอย่างนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นลูกหลานเกิดมาแบบเกิดมารวยไงก็เป็นบุญวาสนาของลูกหลานเหมือนกันนะแต่ถ้าวันรวยจริงไปตลอดก็ไม่ว่ากันพอพอรวยไปแล้วนี่ยใช้ไปใช้มาเนี่ยว่าตัวเองฉลาดเหมือนกับลูกบางคนอนว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดเรียนจบ ปริญญาตรีโทรมาแล้วพอนี่สุดหาเงินใช้ไม่ได้มาใช้กับมาใช้เงินกับคนโง่อีหล่ะที่านนอ่พ่อแม่ก็เลยโง่ซ้ําสองมาเออเขาดูทัวโง่แล้วเขาจึงเขายังมาใช้เงินกับคนโง่อีกเพราะคนฉลาดหาเงินใช้ไม่เป็นเอออย่างนั้นก็มีนะหลวงพ่อได้ยินมามากตัมากนะแสดงว่าตัวเองฉลาดมาก อฉลาดปาดเปืองดูถูกพ่อแม่อีกต่างหากแต่ผลที่สุดไปไปไม่พ้นพ่อแม่พ่อแม่กลับมาขอใช้เงินกับพ่อแม่อีกนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้ลูกหลานทั้งหลายทุกคนทุกคนเราไม่ได้ตําหนิผูใ้ใดใครผู้หนึ่งนะเราให้ทุกคนคิดนอจริงไหมถ้าให้จริงก็อหลวงพ่อก็จะพูดหมายอีก แต่หลวงพ่อเป็นความจริงนะ่ยหลวงพ่อจึงพูดเล่ า, ลาให้ฟังเพราะเห็นมามากต่อมากหลวงพ่อก็เลย เ, เล่าให้ลูกหลานได้ฟังให้ได้สํานึกให้สํานึ ก, น, กนึกคิดโอปันเดชิโกให้มองให้มองตอนเอง น, ะนี่แหละพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดไปพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านหวานท่านแจกจ่ายมรดกให้กับพุทธบริษัทสี่ทุกหมู่ทุกเหล่า สุดแท้แต่ใครจะได้มรดกมากน้อยแค่ไหนจากนั้นมาถึงครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างองค์หลวงตาท่านธรรมแสดงธรรมเทศนาท่านแจกจ่ายแนวความคิดความรู้ความฉลาดความรอบคอบทุกอย่างให้กับบรรดาศิทธิอนุสิทธิทั้งหลายผู้ใดใครจะได้รับมรดกจากองค์หลวงตามากกว่ากัน อ, อ, อันนั้นก็ให้มองให้มองดูตนเอง เหมือนกับพ่อแม่มีลูกสามสี่ห้าคนนะหรือสองสามคนใครได้รับมรดกจากพ่อแม่มากกว่ากันถ้าผู้ใดได้รับมรดกมากกว่าก็กยิ้มยิ้มย่องอว่าตัวเองพ่อแม่รัก เ, เป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ได้มรดกจากพ่อแม่มาแต่คนที่ไม่ได้รับมรดกกันนะั้นหน้าเสา หน้าเศร้าเงาหงอยไปเลยเพราะว่าเสียอกเสียใจอันนี้มรดกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันที่ท่านแจกจ่ายแจกแบ่งให้กับพวกเราท่านไม่มีกรำ ม, มืออยู่ในอาจารย์ท่านแจกให้ทุกคนแต่พวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวิจาใจของพวกเราอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะ โอปัญิโกนะมองตนเองเอาจากนั้นก็นมามาปรปับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองเป็นสมบัติของตนเองทีนี้ทีแรกก็เป็นสมบัติท่านแบ่งให้ทำมาเราก็มาพัฒนาให้งอกเกยขึ้น เ, เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเรารับมรดกใช่พ่อแม่รวยบางครั้งกับพ่อแม่รวยพูดให้กับเต็ ได้มรดกเต็มที่เลยอันนั้นกระบวนวาสนาของเราเก่าอย่างพระรหันตรสาวกนะพอไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอฟังจบเลยได้สําเร็จเป็นพระรหันตนะ์เนี่ยแปลว่าได้สมบัติเต็มที่เลยนะจากนั้นก็เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วอันนั้นแปลว่าได้มรดกจากพ่อ ไม่รู้จะอดไม่รู้จะอดจะอิ่มไม่รู้จะหิวเลยปะเนีมรีโอันนั้นแปลว่าได้มรดกพ่อแม่รวยเราก็ได้สมบัติจากพ่อแม่รวยแต่นอกจากนั้นลงมาก็ได้สมบัติทัดลงมาได้พระนาคามีบางพระโสดาบันจากนั้นก็ถึงพระไตสรณคมเผอเผยบางคนยังปราหมาดพ่อแม่อีกต่างหากว่าพ่อแม่ไม่ให้ตนเองเอ นี่แหละอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันอันนี้มรดกธรรมนะมรดกธรรมแต่มรดกของปัจจัยสี่นี่ก็ในแนวลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้บางทีพ่อแม่ให้ยุแต่ให้ไม่มากแต่ลูกผู้มีปัญญาก็ต้องเอาต่อเติมไปอีกใช้จติใช้ปัญญาของตนเองเออมิใช่ว่าได้มรดกของพ่อแม่ ได้มาแล้วก็แย่งกันได้แล้วยังไม่แล้เ่เลี้ยงตัวเองแลยังไม่แล้่เลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วอยากจะได้แบ่งให้ลูกให้หลานตัวเองอีก อ, อพอเลี้ยงตัวเองแล้วพอยังไม่พออ ย, อยากจะให้เลี้ยงมรดกเลี้ยงถึงลูกลูกยังไม่แล้ย่ยงถึงหลานอีกถึงเหลด อ, อีกเออพอในสุดก็แย่งกันในพี่น้องเออตามไม่จริงลูกของเรา พอนรรยาของเราสามีของเรานะ่ะเราต้องเลี้ยงลูกของเราเลี้ยงหลานของเรามันจึงจะถูกพ่อแม่นะ่ะเลี้ยงเรานะ่ะถูกต้องแล้วเพราะลูกของท่านนะ่ะแต่เป็นลูกของเราเนี่ยเราต้องเป็ น, ปนผู้รับผิดชอบนะจะให้ปู่ย่ามันเลี้ยงถึงหลานด้วยไม่น่าจะถูกถ้าใช่ถ้าท่านมีทุนจำทรัพย์สมบัติแบ่งกันโดยเป็นธรรมก็ไม่ว่ากันอันนี้ไปแก่งแย่งกันสิที่มันที่หลวงพ่อตำหนินี แข่งยั่งกันฟ้องร้องกันในมรดกของพ่อของแม่เพื่อจะเอามาเลี้ยงลูกของตอนเองเลี้ยงหลานของตอนเองอันนั้นมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะอทุกคนมันต้องมองพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยกันเป็นบุญเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลแล้วพ่อเลี้ยงเรามาพอเลี้ยงใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วนะทิศ ท, ทั้งสี่เราก็โดดไปในทิศไหนก็ได้เอ กล้าขาแข็งะเออสติปัญญาของเรามีแล้วถ้าเราโง่เง่าเต่าตุ่นเช่นเ่อย่างนั้นนะเลี้ยงไม่รู้จักโตใช้ไม่ได้นะพวกเราพระเนลูกหลานทุกองนะทุกคนนะอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะเออเราตกพึ่งตนเองในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะอัตติอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ทั้ง ข้า ง, ข, า ง, ข, างนะข้างนอกข้างในด้วยนะข้างนอกก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติปัจใจสี่เนี่ยก็ต้องพึ่งตนเองทามันมีน้อยเราก็ต้องใช้น้อยฉันน้อยทามันมีมากเราก็ใช้มากฉันมากเก็บไว้มากทามันไม่มีเราจะไปใช้อะไรต้องอดอต้องอดต้องเขียมต้องระมัดระวังนี่แหละอันนี้เรามาอัตหิอัตโนนาโถส่วนหนึ่ง ตนแหลเป็นที่พึ่งของตนโกหิหนาโถปรโรซิยานอกจากตนเองแลใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ตัวเองขณะตัวเองอยังพึ่งตนเองไม่ได้และจะให้ไปพึ่งคนอื่นมันยากอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้พูดเรื่องแนวความคิดหรือปัจจัยสี่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นเรื่องจิตใจเรื่องภายในใจของเรานี่ย อันนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะไปพึ่งครูบาอาจารย์ใช่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านให้ทำคำแนะนำแนะนำทำคำสอนบอกกล่าวแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัตออิจะเอาอย่างไรปฏิบัติอย่างไงปรับปรุงกายวาจาใจของเราเราขยันเราขี้เกียจอย่างไรพอได้ยินได้ฟังมาแล้วกันทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาจบไปแต่ถ้าเราได้ยินมาแล้วฟังล ลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังเนะ่ยเออเอาเธอวันนี้เป็นวันๆไปไม่ใช่ทุกวันนะเอาวันๆไปก็ได้วันนี้ข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดจะไม่ให้จิตใจฟุ้งออกไปข้างนอกไม่ให้ปุ่งออกไปข้างนอกวันนี้ทดลองเลยสิได้ยินแต่ท่านว่าบังคับจิตให้อยู่กับเอาสติสัมปชัญญะให้อยู่กับตัวเองอยู่ที่ไม่ให้มันเผลอ ให้มันอยู่ในอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นไว้ตลับอนอกจากหลับแล้วข้าจะไม่ให้มันเผลอทดลองดูสิบังคับดูสินี่แหละอยากจะให้พระลูกพหลานทดลองดูมิใช่ว่าวันไหนกับวันเก่าเออเลเหยลอยลมไปเรื่อยมันไม่ถูกน ะ, เ, ะเรามาประพฤติปฏิบัติมาฝึกหัดดัดนิสัยมาภาวนาต้องมีวันหนักต้องมีวันเบา แต่ถึงยังไงกันในจิตในใจของเราเนี่ยถึงจะฆ่าไปเจ้าจะภาวนาไม่เป็นโง่เง่าเต่าตุนยังไงก็ตามฆ่าไปเจ้าคิดดีแล้วว่าโลกกับธรรมเป็นยังไงเอาเถอะชีวิตนี้ทั้งชีวิตข่าไปเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นติดใจให้มั่นคงจะนั่นกับภาวนาเลยดูใจของตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่เกิดสาระเป็นประโยชน์อย่าไปติดต่ออย่าไปพูดอย่าไป เกี่ยวเนื่องถ้าไปเนื่องเข้าไปแล้วนะจิตใจมันออกถลํถถลาทะเลตะไลออกไปข้างนอก่หมดท่าเลยสนี่มองโลกเป็นสวรรค์วิมานมองธรรมเป็นอริศัตรูไปแล้วสินี่อันนั้นแปลว่าใช้แบบดาลเกิดมาพบใดชาติใดถึงจะเป็นนักพจนนักบวชกระเท่านั้นแหละสิ่พราะจิตใจส่งนอกจิตใจมีแต่ขนฟืนขนไฟขนจริงที่เป็นอัปมงคลเข้ามาสู่จิตใจมีแต่ความทุกข์นะลูกหลานพระเนรทุกอง์นะ ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ตั้งอกตั้งใจรับมรดกธรรมของพระพุทธจเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าพวกเราดับรับมาแล้วกันนะปะปรับปรุงกายวาจาใจของเราพอเราได้มรดกของท่านมาแล้วท่านสอนยังไงให้ประพฤติปฏิบัติยังไงให้สํารวมกายวาจาใจอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะมองดูเองโอปัญญิโก เพราะว่าทรรมคำสอนของพุทธะท่านไม่ได้สอนใครอื่นสอนพวกเราท่านทั้งหลายนะตอนนี้ไปรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร